ก็เป็นปัญหานะถ้านอนแต่ว่าค่าพอเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่ค่อยหลับมันไม่หลับเอาอีกละยุ่งกับความคิดอยูล่ล้วฝันไปตเตลิดเปิดเปืองงัน้ น, นอนดึกดึกเวลานอนน้อยๆแล้วหลับเลยไม่ฝันพอมันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนพักผ่อนเต็มที่ นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอันหนึ่งคือไม่ฝันไม่ฝันเพราะมันเมื่อยเดินทั้งวันมันก็เมื่อยเลยเนาะนอนยังอยฝันอยู่ก็ฝันว่าได้เดินจุกงนะบางทีเดินจุกงบางคนยกมือส้างยกอะไรอะไรห้างเนะข้ากระดูกก็มีนะทาไงได้เนาะมันืาอทีก็ยัง ความคิดเข้ามาเนี่ยตอนกลางวันมันชาชินเวลามันแวบเข้ามาเราจะตัดมันออกความคิดมาตัดมันทิ้งควาคิดมาวางไปเวลามันหลับไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนกันนะเวลาหลับความคิดมันจะแวบเข้ามารกวนสติมันก็จะตัดแบบเดียวกันที่ทาจนมันชำนาญจนมันเป็นธรรมชาติเลยเวลาหลับเวลาคิดมันจะคิดตอน ความคิดมันจะขยบมันจะตัดของมันเองมันจะเป็นธรรมชาติและหลับพ่าสบายตื่นมากก็เป็นคือสติมันจะทำงานของมันตอนปฏิบัติก็เหมือนกันนะตอนจะคุมตัดเนี่ยบางทีมันก็ตัดไม่ได้เป็นการสมาธิสมาธิไปเพ่งให้มันหยุดไปแต่พอเราเลิกปฏิบัติเดินมาอาบน้ำเนี่ยมันจะเกิด ปัญญาขึ้นตอนนั้นก็ได้จิตเกิดมันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาในช่วงที่เราทํากิจวัตรที่ไม่ได้ใส่ใจมากต้องการพลังสติที่ที่ฝึกมากๆให้มันเป็นธรรมชาติมันจูนมันทําลายเรามันทํำลายตอนไหนทํำลายตอนเผลอนะถ้าเราเผลอมันถึงทำลายเราดันะ ไม่มีล็อกจวนมันจะมาขนาดที่เราเล็งปืนอยู่มันไม่มาเหมือนกันที่ขนาดเราจ้องอยู่มันไม่เข้ามาเรากี่เลียดเนี่ยมันไม่มาหรอกอย่าไปจ้องมอกเฮ้ยอจะทําลายความคิดว่าอะไรอ่าเยมันไม่มาหรอกตอนนั้นมันมาตอนโน้นตอนเราทําอย่างอื่นที่มันเพลิดเพอินนั่นแหะตอนนั้นแหละนั้นก็สะสมตัวสติเพื่อรอจัดการกับมันตอนนั้นแต่อารมณ์ลูปนามเนี่ยมัน ถ้าเอาจริงกับมันมันก็เกิดมันเกิดเพราะเราเอาจริงแต่อารมณ์ต่อต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องปัญญาล้วนๆ น, นะแต่รูปนามเนี่ยศรัทธาค่าก็ยังพอได้ก็อยากแนะนำให้สลหรับคนที่นอนไม่หลับก็ให้ลุกมาเดินจงกรมนะในสนามนี่แหละ นอนไม่หลับเว้ยลุกออกมาจากที่พักมาเดินจุกมก็ได้เนะทวดาฟ้าดินกลจะอนุมทตนาเป็นอย่างยิ่งกลัวแต่มันจะไม่มานอนไม่หลับก็ไม่ลุกเว้ย <c oughs> กูจะพยายามให้หลับให้ได้ <c oughs> เรื่องกูจะไปเดินจุกมต่อกูม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่นิพานก็ไม่เป็นไรแล้วเอาเท่าเกับเขานั่นแหละผมไม่อยากโลภมากโลภมากจะล้นตาไวให้ฟังนะบางคนเขาเดินจุกลมวันหนึ่งคืนหนึ่งนอนชโมงเดียวเองก็มีเอาจริงเอาจังอยากให้เอาจริงเอาจังเฉพาะเวลานะเวลาตื่นขึ้นมาให้หายไปเลยถ้าจะเอาจริงเนะี่ยความง่วงนะ่ะ เย่าน้อยก็ขอให้มันได้สักสักตีสีครึ่งไปเนี่ยให้มันหายไม่ให้มันง่วงหรือสักตีห้าก็ยังดีจางวันมาถึงตอนกลคืนเนี่ยอยู่กหลวงพ่อเทียนไม่เอาดึกเท่าไหร่นะสองทุ่งพึ่งก็นอนแล้วดิอันนี้อันนี้ชี้โพรงให้กระรอกนะกลางคืนนะสองทุ่มสามทุ่ม ประมาณนี้ให้นอนนอนให้มันหลับหลับแท้ๆเนี่มันบ่ฟันเดียวสองทุ่มสามทุ่มได้ให้นอนตีสามตีสี่ให้ลุกขึ้นมาทำการทำงานให้หักการท้งานคนขี้เกียจขี้คานมันบ่ปฏิบัติ สองทุ่มสามทุ่มก็ น, นอนวานสกต้นทางก็เคยนะปฏิบัติทำสองทุ่มง่วงเต็มที่แต่มองเห็นคนอื่นเขาก็เดินอยู่เราก็เข้าที่นอนก็อะไรอยู่งันะ้จุดเทียนไว้ดีกว่าว่าจุดเทียนไว้ข้างล่างนะเราก็ทำท่าสร้างจังหวะข้างบนกะเทียนเนี่ยเล่มเล็กๆสามทุ่มพอดีดับพอดีนะ คนมองมาทางไกลจะเห็นไฟยังติดอยู่นะนะตัวเองก็นอนบางทีท่านมาเยี่ยมหรือว่าอายนะมันหลับแล้วนะบางทีก็จุดเทียนไว้แล้วเอาขาหย่อนลงไปตรงนี้ในเตียงนะ่ะหย่อนมาเขามองมาก็จะเห็นขาเราแต่ตัวเราก็นอนแล้ว <c oughs> โอ้มันฉลาดมากไหมกิเลสเนี่ยมันพาทำได้ยังไงก็ไม่รู้ มันสอนเรานะเขามองมาจะเห็นไฟเพราะมันมีจุดเทียนอยู่ไงข า, ขาก็เวลาได้ยินเสียงเขาไอ <c oughs> แล้วก็ขยับขาเงี <c oughs> ้ยสักหลับไปมันก็เลยไม่รู้ธรรมะสักทีนานเพราะอะไรเพราะมันอย่างนี้แหละหลอกไปเรื่อยๆหลอกตัวเองบานทีเข้ามาแล้วเขามุงไปแล้วซาจะว่าวเอา ยังไม่ถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยเนะี่ยเข้ามาแล้วพอมารู้ทันทีว่าถ้าท่านมาตรวจเนี่ยท่านจะมาประมาณถ้าท่านมาสองทุ่มท่านไปแล้วคุณ น, นอนได้เลยท่านไม่มาอีกหรอกนะแต่ว่าันไหนที่ท่านไม่มาสักทีสามทุ่มจึงมาเนี่ยก็ลาบากเลยห้ยนานมาเว้ยวันนี้วะมันต้องรอให้ท่านมาซะก่อนเด้ ไปไวันไหนที่ท่านมาทุ่มหนึ่งเนี่ยโอ้ยค่ อ, อยยังชดนอนได้แต่กลางวันแต่ท่านจะมาอีกตอนสามทุ่มนะ <c oughs> ไม่ค่อยไว้ใจเอาไปมาแล้วให้ช่างหัวมาเทวไว่วามาไม่มาก็สร้างจะมาไปเรื่อยเลยเพราะว่ามันมันไว้ใจไม่ได้สักทีนะ <c oughs> ท่นว่าไม่ไม่ว่าต้องเดินบ่านีเฉยแต่ว่าไปเจอหน้ากันนะ่ะอายเรียสร้างจมว่าไป บางวันก็นคิดนะท่านยังไม่ดับไฟกูจะเดินจกกมกูกโยท่านว่าถ้าดับไฟนั่นแหละวะนะเดินจนท่านดับไฟนะเอาลองดูที่ใครตื่นเช้าก็เหมือนกันนะตื่นขึ้นก่อนท่านจะให้หลวงพ่อตื่นที่หลังเราตื่นก่อนนะแล้วก็ตั้งแต่นัว่าเราจะต้องไปตีละฆังหลวงตาฟังคนตีละฆังแต่เราตีเพาะนะที่เนี้ยตีละฆังเพาะ เสียงก็ดังต่อเนื่องดีมากเพราะไม่ท่านตีเพราะไหมหรือไม่ได้ยินเ <c oughs> นี่ยเห็นเขาลุ ก, กูก็ลุกเลย <c oughs> ไม่ค่อยได้กินว่ะ ม, มีนะบางคนไม่ได้ยินเ <c oughs> สียงน้ําตกน้ําตกไม่รู้เสียงน้ําตกหรือเสียงกโกลนะ่ะกันเสียงน้ําตกนะโอยอัน <c oughs> ี้ฟังตีเพราะแล้วก็ตีคือตีอยากให้คนลุกอ่ะเนี่ยดูแต่ก่อนลุงตาลัง เบื่อหน่ายแล้อดีอยู่กันกับพระพองค์ลุกขึ้นมาตีสองครั้งแมง่มงแม่งกลัวแต่เราตื่นน่ยนะแล้วเราก็ไม่ตื่นนะตื่นมาเขาทําวัดจบหมดแล้วไปถามใครตีมาเช้านี่วะไม่คิดนะาตัวเองตื่นสายออตีแบบแกล้งกันนี่วะมึงได้อะไรทีกูนะที่นะถ้ากูได้ตีกูก็จะทำเบาๆแบบมึงนี่แหลยยะมันจองเวียนจองกรรมกันไปหมดแต่นี่ไม่หรอก เรารู้เอาเออดูฟังที่เขาตีเนี่ยเขาตีอยากให้คนลุกอันนี้ที่เรื่อเฟื้อเนี่ยเรื่อเฟื้อคนวันนี้ไม่ค่อยไอเท่าไหร่กินยาหลายขนาดอันนี้ก็จะกินไปเรืนะ่อยประเทศไปเรื่อยกิกนประเทศนะอันนี้เราให้ฟังว่าเวลาเราปฏิบัติทำโค้งคงจะเหมือนเหือกันเนี่ยกิเลสมันเหมือนกัน เราก็อย่าไปหลอกใครนะเห็นว่้ความคิดกูมีแบบนี้เนาะก็ตั้งใจปฏิบัติเลยเดินก็เดินเดินให้มันรู้เลยเดินให้มันรู้สึกบางคนก็จะทําอะไรเพี้ยงแเลงทาอะไรประหลาดประหลาดอยากเด็ดขาดบางคนนี่ไม่กินข้าวกินเถอะ <laughs> กินเถอะคอร้อง <laughs> อยาจะเช่งมากนั่งเลยกินเถอะนะอาหารมันเยอะนะกินไปเถอะเก่งนละ้วตาเห็นคนเขาเก่งนะไม่ไม่ทีน้อยนี่ฝึกไม่กินข้าวได้สิบสองวันเองนายจุกรมนะออกมาก่อนกลัวตาย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่สำนักหนึ่งใกล้ๆ ก, ก็ไม่ไกล้อะไรหรอกท่านว่า ฝึกกรรมาฐานที่ไรเนี่ยเขาไม่ให้กินข้าวถ้าจะเข้ากรรมาฐานเข่งแนละ้วเขาไม่ให้กินข้าวเขาให้ดื่มแต่น้ำปา น, นะกับโกโก้แล้ก็เดินจุกมใครปฏิบัติได้มากก็ถือว่าเก่งต้นทาลเลยบอกว่าพี่น้อยก็บอกหลายคนหรอกการอดข้าวเนี่ยมันง่าย เลิกเลยไม่เห็นมันสบายการไม่กินเลยเนะี่ยมันง่ายนะกับการกินถ้าเห็นแล้วก็กินแหลกเนี่ยก็ง่ายนะแต่ว่าการกินพอดีเนี่ยเนี่ยฝึกยากมากฝึกกรรมาฐานนี่จะเรียนรู้วิธีกิ น, กนให้มันพอดีเนี่ยมันยากยากกว่าการอดข้าวกินให้มันพอดีแล้วมันมีสมาธิตลอดวันเนี่ยทาไงไม่ให้มันหิว การทำอะไรให้มันพอดีไปเห็นเนี่ยรูปรถกินเสียงแล้วเราจะกินให้มันพอดีกินยังไงอะ่ะเขวิธีชีวิตเราก็คือแบบนั้นแหละคือการดำเนินชีวิตประจำวันกินแบบ ง, ง่ายๆกินแบบไหนอะ่ะกินให้มันพอดีไม่หิวก็หิวก็พอประมาณนะก็ดื่มน้าเข้าไปสักสองแก้ว เ, เวลาทำความเพียนก็ง่ายขึ้น ตอนยินก็ไม่บางคนกิน น, น้อยๆนะไปเห็นก็พยายามตั้งจิตอธิษฐานกินสามคำพอวันนีพ้พอไปเดินจุ ก, กมกูน่าจะเอาอันนั้นนะสามคำกูน่าจะคำใหญ่ๆนะมันหลอกตัวเองได้นะทําเป็นคําแบบนี้นะมื่อกี้ต่างหากเลยคำก็คือเอาเข้าแล้วก็หมดนะมันไม่คิดแบบนั้น ไปเดินจุกงกเขีดถึงแน่เห็นไหมนะคืออันนี้เราจะกินน่ะฉันทําให้มันเป็นแบบศัพท์เขาว่าฉันฉันฉันได้ฉันทะเนี่ยเอาความพอดีฉันทะแปลว่าพอดีพระฉันข้าวเขาไม่เรียกว่ากินข้าวนะเขาไม่เรียกว่าแดกนะถ้าแดกนี่คือหมายว่าคือมันเต็มแล้วนะมันเต็มแล้วคนทั่วๆไปคือกินข้าวมันเต็มแล้วแต่มันกินสิ่งที่มันเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าแดกหรือไง ยัดแดกลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าแดดคือมันพอแล้วแต่คนส่วนมากมันพอแล้วชีวิตแต่ที่กินเล่นนะเขาเรียกว่าแดกลงคือมันเต็มแล้วไปแดกมันลงอ<ม>่ะถภาษาอีสานเรียกสแตกสแตดมาจากว่าสติ<ม>กับเขามาแตกแลสะสติแตกยินแบบขาดสติ มันกินแบบง่ายๆเอากินพอดียังไงกินพอดีรูปก็วางรถก็วางทีนี้ลองไปดูเดิไปซื้ออาหารเดิร้านนี้ขายทูกถู ก, ถกปริมาณก็ให้เยอะด้วยก๋วยเตี๋ยวนะเราซื้อห้าบาทได้กระมังหนึ่งแต่ไม่อร่อยจะมีคนไปซื้อไหมไม่มี เราอยากซื้อรถน่นเดี๋ยวเนี้ยรถชาติซื้อรถชาติที่ที่หน้าพุทธชินราชนงะแต่ก่อนมีกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวไข่ห้างแล้วหรือกว๋วยเตี๋ยวหย่อนขาในนั่นนะ่ะคนไปซื้อกินจังพอไปแล้วเขามีมีเก้าอี้ให้เราเวลาจะกินเนี่ยมันต้องได้หย่อนขาลงในนั่น ถ้าไม่หย่อนมันก็กินไม่ได้นั่งกินลําบากก็ต้องหย่อนขากินแค่นั้นเองนะกินกันจังอันนั้นกินรูปเนยรูปแบบวิธีการกับไอ้ที่หนึ่งที่ผักบุ้งกลางอากาศน่ะกินอย่างนั้นก็กินนะกินรูปดีนี่กินรสส่วนมากก็กินรถเนี่ยอาหารไม่อร่อยก็ตามไม่ไม่ได้เยอะก็ตามแต่ร้านนั้นจะดี อันนี้ก็ปัญหาอะไรนะพิเศษสามห้าธรรมดาสามสิบลตาเข้าไปกินในร้านไม่เคยสามสิบสักทีเมลาเราเก็บเก็บสามห้าตลอดแต่ไม่มเก็บสามห้าเว่าเราอ้าก็ไม่ได้ว่าเาขาเขาว่าทำพิเศษให้นะไม่รู้มันพิเศษหรือไม่พิเศษนะส5ห้าเมื่อกี้ไปกิน วเวเตี๋ยวลำใหญ่ที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ที่ลำปูนพระาาไปัมดเนี่ยเขาไปเลี้ยงไ ป, ไปวะไปกินน้งตาก็เคยไปกินหรอกนานมาแล้วห ล, หลายปีเขาให้เยอะอันนี้กินยัพระวังว่าเยอะเลยก็กินได้เขาให้เยอะเนาะ โยงผูสั่งอนั้นมาสั่งนี่มาหลังจากอบรมกรรมฐานเสร็จนะไปเลี้ยงฉลองปิดร้านเลี้ยงฉลองเลยเพราะว่าไปกินข้าว น, น, นั้นก็มีมีลูกสาวท่านเจ้าเมืองลำพูนเจ้าเมืองลำพูนนะ่ะลูกสาวเขาไปกินด้วยในนั้น แต่อายุเจ็ดสบสามแล้วนะเธอจะมองว่าสวยนะแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะต้องไปคุยด้วยเดียวนี้ท่านเลือกตามมาที่นี่งไงเห็นไหมลูกสาวเจ้าเมืองเขาเรียกว่าเจ้าป้าเจ้าป้าที่มาด้วยนั่นะนะลูกสาวเจ้าเมืองเราอุตส่าห์ไปกินกว๋วยเตี๋ยวนั้นเพื่ออะเพื่อเอาเจ้าลูกสาวเจ้าเมืองมานี่จะเสียดายว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วย แกเป็นกรรมการอะไรเยอะมากในลนะําพูนนะวัฒนธรรมแบบนู้นแบบนี้นะว่าถ้าท่านได้ปฏิบัติธรรมมันอาจจะดีขึ้นเนะี่ยดีตรงไหนดีอาจจะอาจจะขยายเรื่องการปฏิบัติธรรมในลาพูนอะนั้นได้ไ ด, ได้ได้ดีกว่านั้นไปกินกว๋วยเตี๋ยวไปกินวันนั้นลองกินกาแฟลองดูนะหลับเหมือนเดิม กาแฟเนาะหลวงตาไม่เคยเห็นนะเครื่องชงกาแฟเครื่องหนึ่งถามเขาชงเสร็จแล้วก็เลยไปถามดูว่าจะไมาที่นโมโทําแกงจีมที่วัดเครื่อง<ม><ม>นี้เท่าไหร่หนูส<ม>ี่หมืนค่ะพ่เครื่องชงกาแฟในสี่หมื่นก็มีเนาะไม่เคยเห็นปานนั้นนะสี่หมืโอ้ยเอาช้อนแกงเน่าที่วัดเราเอ้า <g üler> <c oughs> ให้เขาทาให้กินจนตายเนี่ก็ไม่ถึงสี่หมืนนะแกงช้อนเนี่ยไม่ถึงสี่หมืนหรอกอันนี้มันอะไรแพงปป น, นั้นนะเขาทำขายนะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็ตกเป็นทาสพวกนี้แหละผู้ปกครองรถที่แหละเวลากินข้าวเวลาอาหารนี่ก็กินแบบไหนกินแบบกินให้มันพอดีเนี่ยเรียนรู้ว่ากินวิธีพอดีวันนี้กินแล้วไม่ง่วงนะกินแพอดีนะเนี่ย มันก็ต้องการที่จะกินพอดีนี่มันต้องตัดเลือกรูปรสออกนะรูปตัดออกรสแต่ด อ, อกยิ่งมากินอย่างเงี้ยเขาให้กินเอาใส่ด้วยกันเนี่ยอาหารน่ะมันก็ไม่เห็นรูปเผ็ดรสเท่าไหร่ก็คือเอาใส่เลยอีกเจ้าหนึ่งประการที่สองนี่เขาไม่ให้มีถาดหลุมถาดอะไรเลยหลุมเดียวนี้ที่กะละมังยักษ์ พอมาแล้วดันเอามาประจานต่อหน้ากันด้วยโหมึงเอาหลายเนาะกูจะหมดไม่นี่ยเ้ยก็เลยไม่เอาไว้ตรงหน้านะเอาไว้มาข้างข้างปฏิเสธใครโย่จบก่อนแล้วค่อยๆลากมันอายกันน่ะมันก็เลยมันเบรกไปโดยธรรมชาติคือมันบังคับให้เราได้สมาธิโดยทางอ้อมเวลาไปทํามันก็ทําความเบี่ยนได้ดีแต่ถ้าหลงวันใหม่เก่าอีกละวันนทีโอ้ยใจดีเนาะวันนี้สติดี นม่ไปเอาเยอะๆยิย่งแย่นการกินเนี่ยสำคัญมากๆเลยเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกอะไรโพชเนมัดตันยุตาโพชเนมัดตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคนะของเราโพชเนยัดเต็มอัตรา โพชเนมันแต่ยัดเต็มมาตาน้องเราไปเห็นลุงปูองหนึ่งแล้วว่าโอ้ยลุงปูก็มีภาษิตเหมือนกันโพชเนมันตันยุตุงเอาพุงเป็นประมาณ <c oughs> ก็ยิ่งหักเข้าไปคือถ้ากินแด่ yeah. สังเกตนะทั้งเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีพระ ก, กรรมฐานเท่าไหร่มีไม่พระกรรมฐานน้อยนะทางภาคตะวันออก มีพระกรรมฐานไหมก็ไม่ค่อยมีเพราะอะไรส่วนหนึ่งนะนี่วิเคราะห์นะตามธรรมชาติท่าตะวันออกนิดหนึ่งผู้หญิงสวยทั้งเหนือนี่กับสาวสวยอันหนึ่งนะอันอันสวยนี่เพราะไม่สำรวมตาหรอกว่า แล้วเขาเอาใจใส่ดีหลวงตาจะพูดมาถึงเรื่องว่าอาหารการกินมันดีทางเหนือนี่ทางตะวันออกก็เหมือนกันอาหารนี่เพียบทีนี้พอกินเนี่ยมันอดไม่ได้นะอาหารมันดีอะ่ะเขามีอาหารทะเลนะอาหารนวัดนันทานี่มาปุ๊บก็กินกินเช้ากินเพลินมันก็ตึงดิท่านทำกรรมฐานยิ่งรูปแบบ นั่งสมาธิอย่างนี้ก็ยิ่งหนักก็ไปอีกนะังนั้นมันก็เกิดไม่ได้มันเกิดปัญญาไม่ค่อยได้จะมีหน่อยก็แบบสัมมาทาทวนกระแสะกับเวทนาความงงความเหง่า น, นี่แหละแล้วก็จะมีเกจิบ้างสักองสององทางตะวันออกเนี่ยมันไม่เยอะนะแต่ทีนี่ภาะสาล้มปูชาเริ่มเข้าไปแต่ถ้าสมัยก่อนมันไม่ค่อยเกิดแต่จะเกิดอยู่ทางภาคอีสานโอดโอดจักยาก จ้ำอองกระปูปลาเนี่ยปลาบองเห็นไหมในเทพหลวงพ่อชาไปบินตบาตไม่ได้ไม่เห็นโยมโยมไม่ทำบุญบ้างหรือท่านโยมหนึ่งโอ้ยหลวงพ่อไม่รู้อะไรจะมาทำบุญเน่มีแต่แจวหลวงพ่อจะจ้าให้ไหมทำถ้าหลวงพ่อจ้าให้โยมก็จะมาเอาไหมโยม โยมมาตลอดอาตมาก็จะจํำให้ตลอดในเทป น, นะนั้ท่านเดี๋ยวพูดอยู่มันมีแค่นั้นน่ะอีสานเนี่ยมันไม่มีอะไรัน้นการกินนี่มันมีส่วนสำคัญในการผลิตพระอาหารสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หรอกโภชเนมัตตัญญานะตัวนี้สำคัญถ้าปฏิบัติดีขนาดไหนกน็ตามถ้าไม่รู้จักประมาณในการกินนี่แย่ เพรเผื่อจะไปเผาอาหารเนี่ยโอ้ยเสายใจเสียขอบายสามก็ยังไม่ย่อยนะยังมีอาการสลืมสลืมเมาอาหารอยู่เมาเมาเมาเมามัทนิมมัทโนเมาหนักเนี่ยนะเราอย่าเมาแต่เคิดว่าเมาเหล้าเมาบุหรี่เมากระเพาะไม่ใช่เนีเมาข้าวนี่นะเมาข้าวเมาอาหารการกินหลายคนไปปฏิบัติธรรมนะลงตาเห็นเขาชวนลงตาไปปฏิบัติที่อินเดีย หลวงตาเขแก้งถามเอาไงบ่ต้องเตรียมตัวนี้หลวงตาเอาไปทุกอย่างมีอะไรบ้างละ่ปะปะลาดาปลาลาบองเตรียมไปหมดนะเนี้ํำยาน้ำมันทิพย์ผลิตทิพย์ลิอะไรเตรียมหมดอ๋หลวงตามันไปกินแล้วอันนี้อาหารอียกินไม่ได้นะโอ้ได้ถ้าคิดแบบนี้ก็คือจอดตั้งแต่ก่อนไปนี่แหละธรรมะมันไม่เกิดหลอกมันยากเฮ้ไปแล้วเรายังจะมีเลือกคําว่าอาหารไม่ถูกปากเนี่ยยาก ปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมอาหารไม่ถูกปากน่ยยากงั้นมันไม่ถูกหรอกกินไปเลยกินไปเถอะกินแล้วๆไปอ่ะกินแบบแล้วๆไปหลวงตาเคยไปอยู่กับหลวงปู่แถมหลวงปู่แถมฉายาขี่ไม่เหม็นขี่ไม่เหม็นนะหลวงตาจะบอกให้เอาไหมวิธีขี้ไม่เหม็นเนี่ย ก็ไปอยู่กับท่านพราะท่านไม่กินเนื้อไม่กินอะไรเลยกินแต่ข้าวกับดอกผักติ้วอย่างเดียวกินข้าวกับดอกผักติ้ว <c oughs> ขาว่าขี้ท่านไม่เหม็นมันก็ไม่เหม็นจริงๆนะเพราะดอกผักติ้วเนะี่ยมันจะเหม็นที่ไหนเนาะมันไม่รู้มันมีสารอะไรแต่ท่านกิกนไปนะมันอาจจะไปผสมกับเครื่องย่อยข้างในนะแต่มันก็ไม่เหม็นนะก็ อ, อยู่กับท่านนาน ว่าท่านบรรลุนั่นบรรลุเต็มตาก็ไม่ชอบท่านเพราะท่านสู บ, บุรีจัดนะสูบบุรีเ น, นี่สูบนัเราก็ไม่สูบบุรีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะตั้งแต่คลอดออกมานั่นแหละไม่เคยสูบบรุรีแล้วไปอยู่กับท่านเม็นบรุรีนี่เพิ่งเปิดเผยชื่อนะเนี่ยว่าท่านตายไปแล้ว <c oughs> ตายไปแล้วแต่ว่ามันเวลาอาทิพไม่ไปออกคุณบุคคลดีนะ โอ้ยหลวงปู่แถมอยู่อเมริกานอะ น, นะอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่แถวบ้านเราท่านกินง่ายๆายทานง่ายๆและท่านกระทั่งสมาธิมันก็อยู่ได้แบบสบายสบายนี่คือภาคอีสานแต่ถภาคภาคกลางก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปซกแต่ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยสถานที่มันก็ดีแต่ อาหารการกินมันดีหลวงตาเคยไปเปิดอบรมฝึกปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนมีแต่คนมาทําบุญเป็นเจ้าภาพนะวันนี้ก็โยมนี้เจ้าภาพวันนี้ก็โยมนี่เจ้าภา พ, นนาภาพอาหารเต็มโต๊ะเลยนะแต่ไม่มีคนปฏิบัติธรรมนะถึงเวลามีแต่เจ้าภาพมาถวายเนี่ยเขาออกมาจากบ้านเขาเลยทําเป็นสําหับเขามาจองเป็นวันเป็นวันแต่ไม่มีใครเอามาถวาย เ อ, อไม่มีใครมาปฏิบัติธรรมมีแต่พวกที่ติดตามเราไปอย่างคนไหนรู้จักโลนตาคาตามมาปฏิบัติธรรมนี่แต่เจ้าถิ่นเขาไม่มีเราก็เสียดายทุกเรียนเป็นลูกๆนะก็เลยเอาคนละลูกสองลูกไปเงาะอย่งเงี้ยขนุนเขาก็ลูกใหญ่มากขนุนน้ำพึ่งใหญ่ อาหารทะเลอย่างเงี้ยบางวันเขาโอ้ไข่อะไรนะไข่อะไรคือเขาก็าสุดยอดเขาเนั่นแหละบางคนก็อะไรนะอมแมงกับพุ่นเนี่ยก็คือสุดยอดคือคนไหนก็อยากได้บุญเยอะน่ยนะพระเราก็เลยไม่ยั้งมือ <c oughs> ง, วง่วงกับแถวเซซ้ า, า ย, า ย, ายเซข้าอ่าว เตล้อล้ไม่น่ามันพระถึงเกิดไม่ค่อยได้ท่านตอนออกเนี่ยมันยากลําบากมันห้ามใจหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่อฉันให้ได้บุญหน่อยเด้อฉันได้เขาก็ไม่เป็นไรญาติยโยมเต็มที่เต็มที่โอ้อย่าไปพูดแบบนี้เลยนะญาติยโยมไม่เสียหมดได้พระเนี่ย <c ười> คือมันไม่แห่งไปเลยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะอาหารการกินญาติยโยมเราผู้หญิง โยมอย่างทังแหลมสิงห์เนี่ยก็จะมีญาติโยมทั้งอีสานเราไปตํามะละกอขายัรงนั้นโอ้ยขายดิบขายดีนะเขาจะเป็นวิญญาภาพเลี้ยงตํามะละกอโอ้ยมันไม่ได้กินนานเนอกจากอีสานไปเอา้า mm hmm. เต็มที่วันนี้ก็เต็มที่เจ็ดวันเลยเต็มที่ทุกวันมืดแปดด้านนั้นตาเนี่ยม่วงมันจะได้อารมณ์อยู่แล้วตอนใบายสี่นั่นะอน่ะใบสี่ตอนเที่ยงตอนอะไรไปนี่ก็อย่างว่าละ ก็ไม่หลับหรอกแต่ต้องเดินไปโนดเดินไปนี่อยู่เรื่อยๆนะนะทางโน้นมันก็ดีหน่อยมันมีลูกหมากอย่างยางพลานะ่ผมแดดๆพเพรแดดออกมันดีทต่ดีป๊อตกขึามาใส่กดแล้ว น, นกาลังเดินอยู่นะอ้าวตื่นขึ้นมาหน่อยนึงกลางคืนก็นอนนอนปรากฏตามใต้โคนต้นยางพลาเขา แต่ว่าหกทุ่มเข้ามาแล้วนะหกทุ่มเนี่ยเขามาแล้วเขาจะมากรีดยางเนี่ยเราเป็นพระกรรมฐานเนี่ยพรุ่งนี้จะไปบินธ บ, บาทเท่วเลาะบ้านเขาอยู่นะตื่นสายไม่ได้ถูกลุกก็แป็บเดินจุกมยเดินจุกมให้เขาเห็นว่าเราเคร่งไงฮ<ะ>ึฮันระยองพวกนี่แหละไปละลุลงตาเป็นคนบ้านนอกมากไม่เคยเห็นลุงตาไม่เคยเห็นยางพารานะชีวิตเนี่ย จนมาบวชนี่ถึงเห็นแต่ก่อนไปบินทบาทมองไปเห็นเขาตากยางพลาเป็นแผ่นหนะตากไว้เน่ยรงทา้าว่าบ้านนี้ทำไมได้ลูกมากจังน้อผ้าอ้อมเต็มหมดเลยถ้าไม่เข้าไม่รู้จริงๆนะมีหน้ามันถึงยากจนคือผ้าอ้อมบางงานก็ยังขาวอยู่แต่มันก็เหลืองๆแล้วน่นะมันก็ดูนี่จนเก่าขายังว่าใชเนอกว่าก็ไม่กล้ามองขี้เดียดไหล ไม่นึกว่าเขาตากยางพาราแผนน่นอันนี้คือความคิดจริงๆนะอันนี้อยู่เป็นเดือนนะจึงรู้จักว่ายางพารามันมีคนบอกให้ฟังเราถามว่าอย่าเขาไปหลายทางที่เดียดพ่ออ้อมเขาบอกลูกเขาว่ายางพาราเขาอ่อันนี้เลยแผ่นยางแผ่นนะเพิ่งๆพ่งรู้จักในนันะ่นแหละโอ้ยางแผน่นเป็นแบบนี้เนาะมันก็เท่าพ่ออ้อมนี่นะเนาะ เขากรีด ย, ยางนะแล้วก็เกรีกีดกีดกรีดโอ้หกรีดไปแล้วก็เขาไปนอนเด้ผัวเขาจะไปนอนตอนเช้าหกโมงเนเมียเข้ามาเมียเขามาเก็บยางเนี่ยที่เขาวางเป็นถ้วยเป็นถ้วยไปนะแต่ผัวมันไปนอนเก็บขี้แล้วก็ลองลอๆไว้แต่คขาขึ้นหมดเดินจุกม เ, เดินเดิเดินพอมันผ่านไปแล้วนอน <laughs> ตั้งนาฬิกาไว้วเพราะมันมึ่งไปเนอะเดินตัง้งแต่หกทุ่มันก็การไเลยหยุดเด้ đây. นอนก็ได้เวลาตีสี่นอนแล้วตีสี่ตีสามตี 3, ต่นแล้วลุกขึ้นมาเดินใหม่เดินพอมันเลยเราไปเฉยๆี่มันผ่านลุกมาเขาก็เล่าหลวงพ่อเข่งเนาะตื่นแต่ดึกเนาะเราไปกีดยางหลวงพ่อลุกเละเด้โอ้ยมันเป็นประจํายันโยมเอ้ยเป็นกิดจวัตรั <c oughs> แต่เขาไม่ถามแล้วหลวงพ่อได้นอนอีกไหมเขาไม่ถามเราดิแล้วก็ถามแล้วก็ก็นอนอีกแต่ว่าไม่มีเจตนาโกหกหรอกแต่เขาไม่ถามก็ <c oughs> เลยตามเลยไปเก่งคัดแหละไปบินตบาตเอา้าปลาตะเพียนตัวเท่านี้มาแบง่งองค์นั่นองค์นี่ไปตามเรื่องท่านบางทีมันก็ยากลําบากแต่ทั้งเหนือนี่อากาศมันดีมันน่านอนอากาศเนี่ยมันน่านอนมาอยู่ท่านี่มันก็ลําบากแล้วไม่จลับกันแล้ว ถ้าไม่เข้มแข็งก็ยากลำบากคือมันฝืนไม่ได้ก็จะพาโยมทําแบบไหนทําแบบอะไรล่ะเรื่องบุญเรื่องทานไปเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องของครั้งเรื่องอะไรไป น, น, นั่นอย่างนั้นพอพาทําไปได้นั้นมันยังมีตนบุญเกิดขึ้นเยอะมากทั้งเหนือเนี่ยพอมันหลบหลบวิหลบพุทธศาสตร์ ไปสู่ใสยศาสตร์ไปตามกระแสนที่พอมันอาหารมันเยอะๆนี่เวลาเรานั่นมันก็ทำความเพียรไม่ได้นะเื อ, อพอความเพียรเพียไม่ได้ครับตัวที่สองก็ไม่เกิดขึ้นแหละอะไรโพชเนมัตตัญญาชาคริยานุโยกตัวชาคริยานุโยกก็คือการประกอบความเพียร ในการเป็นผู้ตื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอชาคระแปลว่าตื่นนุโยกก็คือการประกอบความเพียรด้วยการตื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยชันน้อยฉันพอดีและประกอบควา ม, วามเพียรเจริญสติอยู่อย่างเสม อ, อโอชินีมัตตัญตาชาคริยานุโยกแล้วก็ อ, อินทรียสังวรอินทรียสังวรก็สํารวม ตางจมูกดิ้นกายใจสํารวมนะยันสีแล้วก็งดเรื่องอาหารอย่ามากเอามันพอดีนะแล้วก็ทำความเพียรให้อย่างสม่ำเสมอแค่นี้เองนะ่หลักปฏิบัติทำเนี่ยคนไปทำพุทธิยาวาเอาย่อๆสิผมอยากปฏิบัติแบบย่อๆผมไม่ใช่คนในเมืองผมไม่ใช่นะักวิชาการนะ ผมไม่ใช่นะักการาศาสนาไม่เลยผมเป็นคนบ้านนอกไปทำพววุยพววุยสามอย่างเอาหนึ่งกินพอดีอย่ากินมากสองสำรวจบิวซีตามหุสหมุดิื่นกระจายสมและลึกรู้ตัวประกอบความเพียรอยู่อย่างสม่ำเส ม, รมอรู้ตัวตลแค่นี้ก็บรรลุทำนะเข้าถึงทำได้ท่านบอกง่ายๆนะแต่ว่าอันง่า ย, ายๆเนี่ยมันเป็นชีวิตเป็นความอยากของเราทั้งหมดเลยเป็นกันต้องไปทวนกระแสทวนกระแส ทวนกระแสความนึกความคิดความปรุงแต่งความอยากความต้องการความหลงไหลของเราเองเนี่ยมันต้องถวนกระแสขึ้นมามันหู่มากความหิวเนี่ยมันไม่เหมือนความอยากนะความหิวก็คือความหิวนะแต่ความอยากเป็นอย่างหนึ่งนะโยมลงไล่ๆดูดิ เวลามันมีสมาธิดีๆเนี่ยเราจะเห็นความหิวกับความอยากมันแยกออกจากกันเลยนะโอ้ความหิวเป็นอย่างนี้มันมีแค่นี้ความหิวนี่คือความจริงนะความจริงมันจะมีประมาณเนี่ยแต่หนึ่งมันเป็นความอยากเวลาความคิดมันเกิดเนี่ยความคิดมันเป็นความจริงมันจะมีนิดเดียวนอกนั้นมันเป็นความอยากที่มาเพิ่มกับความคิดอันนี้เรามองใครสักคนเนี่ยถ้ามองตามความจริงก็มองเห็นได้เฉยนะ แต่ความอยากมันจะมาพร้อมราคะโทสะโมหะมันเข้ามาด้วยกันเนี่ยเอาสมมุติมาสมมันพลังอันนี้แหละมันเยอะไปทีเราสลายตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้การมองการเห็นการได้ยินได้ฟังการอะไรปรมาณจะเป็นธรรมดาทีนี้ทํายังไงมันจริงจะเข้าสู่ภาวะธรรมดานี้ได้ชีวิตเนี่ยใหเห็นธรมธรมดาธรรมดาก็คือฝืนอยู่บ่อยๆ บ, บางอย่างเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมดาแต่เขารู้ต้องรู้จักฝืนเอา บางคนมาปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังนะแต่พอกลับบ้านทิ้งเลยไม่ฝึกไม่ฝนต่อจริงจริงก็คือชีวิตเรา น, น, นั่นแหละอันเนี้ยชีวิตของเราไม่ว่าะจะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็รักษาชีวิตของเราให้มันปกตินะฮะไม่ใช่จะมาเอาให้บรรลุพอไม่บรรลุกูก็เลิกไม่ใช่นะ คือมันเป็นการศึกษาชีวิตให้ขยับไปทีละน้อยละน้อยละน้อยพัฒนาไปตัวการสําคัญก็คือตัวโลภะทวสะโมหะนี่แหละตัวโมหะตัวโลภะตัวโทวสะให้มันลดลงลดลงลดลงพอมันลดลงลดลงมันไม่ค่อยเข้าไปในความคิดมันก็ไม่ติดความโลภความโกรธก็ไม่เกิดมันก็จะค่อยๆกลายเป็นสมาธิเองนั้นวั น, ว, นวันหนึ่งมันจะเริ่มเป็นสมาธินะจิตเอาทําไมมันว่างอย่างละ เอ้มันเฉยเนาะวันนี้ไม่ค่อยคิดอะไรเลยมันจะว่างๆลงๆเนี่ยมันจะเริ่มสะสมมากขึ้นมันจะเริ่มเป็นสมาธิโดยธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเราตัดตัวที่มันจะเข้าไปในความคิดนี่บ่อยๆตัดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยไฟฟ้าพวกเนี่ยมันวิ่งไปเรากัดตรงกดตรงขัดเอามันเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บมันไม่วิ่งไปหรอกสายโน้นสายนี้นะตะระมัวไปตะคุบสายนั่นทุกมันช็อตเอาตายเลยไปบีบหลอดนั้นหลอบนี้นี่ก็ไม่ได้ แต่ก่อนลงท้ายอยู่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปบ้านนะแม่ขาวบูแกชื่อบูอด้วยต่อไฟเปกุติเขามันก็ไม่นานหรอกนะปี2520ันี่สแกว่าแกมอดไฟไม่เป็นนะมอดไฟไหลอดเป็นหลอดห้ำหมานะหลอดกลมๆนะ ไม่ประหยัดไฟหลอดเป็นไส้เนี่ยเขาจะเลือกใช้แล้วเนี่ยแก้ไม่กวาดตีเอาคือเอาไม้กวาดไปต่อยนะต่อยหลอดเนี่ยแตพ่พอเนดีเลยนะแกไม่รู้แต่แม่ขาวไม่ทีเนี่ยจิตดีมากเป็นคนแก่นะตอนนั้นหลวงตาแก่เก้สบสองแล้วนะแกจะเป็นคนที่รักษาศีลดีมาก แต่ว่าถ้าพระเนียนไปที่กุติแกเนี่ยแกจะหาข้าวให้กินทุกครั้งเลยที่ไปแต่ตัวแกไม่กินนะแกรักษาศีลดีแต่พระเนนถ้าหิวไปแกก็หาข้าวถวายตอนเย็นแกก็ถามเมื่ไปเยี่ยมแกที่ที่พักกุติแกหิวข้าวไหมแกถามหิวเนนมันเลยหิวประจำเลยไปหาแก แกก็หาให้กินนะแต่ให้กินเฉยๆนี่แกไม่โกรธไม่หมึงไม่ว่าอะไรเลยนะและแกรักษาความลับได้ดีมากแต่ไม่เล่าว่าจะอว่าดฟังแกหาให้กินเฉยแต่เขาจะมีศีลดีมากคือไม่หงุนงิดไม่ยกตนข่มท่านไม่อะไรเลยแต่แกฝึกสมาธิโดยธรรมชาติล้นตาแต่ก่อนล้นตาก็ไม่รู้กรรมฐานนะะแต่ไปไปที่ที่เขาที่เขาพักเนะี่ยแต่ไปดูโอ้แกจะหากับข้าวกับน้ําอะไรให้ดี เดี๋ยวหาอ้อยหาโน่นไหนนี่ไปหลวงพี่กูบาไปแกก็จะหาให้กินแต่ให้กินด้วยความเคารพนะคือแกทำหน้าที่ของแกอย่างดีเลยแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยกับกับคนที่กินหรือไม่กินมันจบภาระแกรตรงนั้นแล้วแกจบเก้าสิบสองปีแล้วนะแข็งขันดีมากคนที่ตีหลอดไฟนี่นะเป็นคน ซ, ซื่อจิตดีมากเลย เรานี่ไม่ได้โอ้ยนี่มันผิดศีลนะอย่างนั้นนี่แกไม่มีแกไม่ได้ยุ่งเรื่องผิดศีลไหมผิดศีลแกเล่าแต่คุณเนะี่ยอยากกินไม้อยากกินกระหาให้กินแม่ชีเขาจะหากับข้าวกินเองนะเขาไม่ได้ไปวินดาบัดไม่ได้มีอะไรแต่เขาปลูกผักปลูกอะไรของเขาได้แกไม่ได้คิดว่ามันยังไงอน่ยไม่ได้ใจเสงนั้นเราลองทํำดูดิบางทีย่าไม่ส ใ, ใส่อุบายใส่เรื่องของใคร ยาวเรื่องของใครมาใส่ใจเราให้มันวุ่นวายทําแบบสบายสบายแบบปล่อยวางเฉยเไม่คิดอะไรอเรื่องของใครใครมันจอดตรงนั้นจอดตรงนั้นมันจะไม่จอดก็เพราะอะไรเพราะว่าจิตเรามันวิ่งเข้าไปในในอารมณ์นี่แหละเราจึงมาฝึกสติไงให้มันรู้เท่าทันนะนี่ถ้ามารู้เท่าทันสบายอา้าวการกินก็ ง, ง่ายขึ้นการ น, นอนก็ง่าย การนอนก็ง่ายการกินกับการนอนมันอยู่คู่กันมนุษย์เนี่ยถ้าแก้สองงานได้เนี่ก็สบายลพะพยายางความเพียรไปจะไม่มากคือไม่ลําบากเท่าไหร่นะในหลายคนนุ่นตาเห็นหลายๆคนกินก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าคนไหนวัวล้วนจะกินเยอะแต่ถ้าหมอทัพทิมอาจารย์หมอทับทิมที่ตัวล้วนเลยกินน้อยนะเห็นไหมหนึ่งทับพีนะวันหนึ่ง คือรวมกันแล้วนะ่ะอาหารนะ่ะทั้งข้าวทั้งอาหารรวมกันหนึ่งทัพพีเห็นไหมที่อะไรท่านมาเป็นนึ่งนั้นตลอดนะที่บัตรเป็นปีสองปีก็เป็นแบบนั้นตลอดแต่ตัวท่านอ้วนเฉ ย, ยๆนะ่ะแต่ท่านกินน้อยเดินจุ ก, กงเลยโอ้ยเดือนจริงเดินจังเดินเอาเป็นนาตายจริงนะแต่มันก็อ้วนดวยธรรมชาติขยันนะันะ่ะอย่างลาออกจากหมอมาบวชนะนน่ะ แต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งมาลามาเลยบ่ะปิดลับสมัครอยู่ทั้งโลกไปพเลยเพราะว่าชีวิตพ่อแม่เขาเกิดมาเขาเลี้ยงมาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเป็นศักดิ์ศรีของครอบครัวจะหนีไปบวชซะเกากระไละยโลยอะไรประมาณนั้นก็เลยบอกอ่าเอ า, เอาให้มันสุขงอมซะก่อนชีวิตเนี่ยให้มันปัญญาให้บา ร, รมีมันสุขงอมก่อน ปากใต้นะวิจารณ์ดูดิปักใต้ปากใต้ก็มีหลวงพ่อพุทธทาสเนั่นแหละเนาะหลวงพ่อพุทธทาสนะปฏิบัติธรรมเป็นคนเด็ดขาดก็เลยท่านก็รู้ธรรมะรู้ธรรมะตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยสอนธรรมะมาเรื่อยๆจนดังไปทั่วโลกนะแต่คนอื่นก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นแบบพระดัง พระขลังไม่ใช่พระดีแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีพระกรรมฐานไปปากใต้เนี่ยไม่ค่อยไปมันอันตรายนะโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะพตาว่าที่ไหนก็ตามอะถ้าเราไม่เผยแผ่สัจธรรมกันจริงๆอย่างจั ง, จ ง, จงเนี่ย เป็นเรื่องของประเพณีเฉยๆมันก็ได้มันมันได้ผลกับต่อสังคมเนี่ยมันได้น้อยส่วนมากเขาส่งพระธรรมจาริกพระนั้นพระนี้ลงปักใต้นะเดินข บ, บวนกันลงไปเนี่ยลงไปก็คือไปทําพิธีนั่นทําพิธีนี่ก็สอนเรื่องอันนี้แหละทําบาปอย่าทํากรรมทําบุญทำ อ, อแต่ไม่ได้สอนเรื่องวิปัสสนาเรื่องการเกิดปัญญาเนี่ย อย่างการสอนเรื่องทำบาปทำกรรมทำนั่นทำนี่นี่มันจะขัดกันเพราะว่าแต่ละาศาสนานี่มันไม่เหมือนกันหลักการพุ่นดำทานนะมันไม่เหมือนกันคนนี้ก็ทำแบบนี้ทำนี้ก็จะได้บุญแต่ทำเรื่องการฝึกจิตเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับาศาสนาเนี่ยนะเพราะว่าคนนับถือศาสนาไหนก็ทำค น, คนก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะโกรธเหมือนกันเกลียดเหมือนกันรักชังเหมือนกันาศาสนาไหนเป็นทุกข์เหมือนกันนั้นคนไหนก็จะเห็นว่า คาสอนเนี่ยเรื่องสัจธรรมมันจำเป็นจำเป็นสำหรับชีวิตเขาแต่เพระเอินว่าเราไม่ได้สอนเรื่องนี้เมื่อไม่ได้สอนเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมนะโอ้เสียดายคนประเวียนเทียนรอบโบสถ์รอบสนามหลวงรอบพุทธมนทนเป็นหมื่นเนี่ย เราสงหลวงเจ้เข้าไปเยอะนะแต่ศาสนาพุทธมันก็ไม่เจริญนะนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาแก่นศาสนาศาสนาคืออะไระลองเรามาปฏิบัติทรมมาปฏิบัติศาสนาในปฏิบัติอะไรปฏิบัติตัวเราเองนะตัวเราแต่ละคนนี้คือตัวศาสนานะเนี่ยตัวท่านทั้งหลายนี่คือตัวศาสนาศาสนามันก็เกิดในนี้เรามาปฏิบัติทรมาหาตัวเราเองนี่ ถ้าสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดนั่นแหละพุทธะเกิดละคือถ้าเรามาทำให้มารู้ตื่นเบิกบานก็เป็นศาสนาพุทธพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานตื่นเบิกบานจากกิเลสนะแต่ถ้าปฏิบัติไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดความพรุงแต่งเกิดดับยังไงเนี่ยเราก็จะคิดว่าทุกอย่างเ น, นเกิดขึ้นเพราะโชคชะตา เกิดจากกรรมเก่าเกิดจากเนี่ยเป็นศาสนาไสายศาสตร์ไปซะอเ น, นี้ยศาสนาแบบนี้เป็นศาสนาแไสยศาสตร์นะศาสนาแบบงมงายมันไม่ใช่พุทธธรรมไม่ใช่ธรรมที่ทําให้รู้ตื่นเบิกบานมาคนอ่นกันแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้นเนี้ยมันเป็น อย่างเราปฏิบัติทําแต่ก่อนงมงายเนาะอันนี้คือาศาสนางมงายนะาศาสนาคือคําสอนของใครก็ตามที่สอนเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยพี่ว่าเป็นาศาสนาหมดแนหะแต่ว่าสอนให้รู้ตื่นเบิกบันสอนให้เกิดสติปัญญาเนี่เป็นาศาสนาพุทธอันเนี้ยพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานแต่ศาสนาศสาสนาสมถะาศาสนาของลือสีก็จะเป็นแบบ ให้รู้เรื่องเทวดาก็เรื่องเทวดามาสอนเรื่องผีกับเรื่องผีมาสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสอนเดนนี่ศาสนาเกิดขึ้นเจ้าแม่ควรอิมเจ้าพ่อควรอูเนี่เดนนี้มีแม่แม่กระทั่งพระพิกเนียก็มีอะไรนะั้นเป็นตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วนั้นมันเหมือนคนละมีงวงช้างมาจากปากโพ้สารพัตดจะวาดรูปใจคิดมาเนาะคนเนี่ยความจริงมันมีไหมมันไม่มีมันมีเพราะมันมีในหัวคนนี่แหละ คนไปสร้างเทพเจ้าขึ้นมาแล้วก็รักษาทานไปนั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบ น, นี้นะขณะปฏิบัติธรรมสมาธิมันก็สงบอันนี้เขาเรียกว่าศาสนาความสงบศาสนาลึ่งสีเน้นเรื่องความสงบนิ่งบางทีก็เกิดนิมิตแสงสีอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็เป็นศาสนาศาสนาอะไรศาสนาสายศาสตร์ไปศาสนาที่มันทําให้เรางมงายมันปิดกั้นไม่ให้เราเห็นสัจธรรมมั น, นี้ แล้วเไปติดอันนั้นซะททนี้รู้สึกตัวจะรู้สึกตัวกับลมหายใจก็ได้อย่างที่เราสวดรู้สึกกับลมหายใจรู้สึกกับอาการกายนะอาการกายอาการของร่างกายเราก็มีอาการตั้ง32สองอย่างเนาะผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกอะไร น, นี่แล้วแต่ใครจะเอาใครจะกำหนดอะไรก็ได้ ย่งพระองค์ท่านนั่งอยู่ท่านก็จะเรลึกรู้แบบนี้แค่นี้ก็ได้พระองค์ก็นับลูกประคำนะก็เลก็รลึกรู้บางคนก็นั่งก็ดูลมหายใจท้องพองขึ้นยุบลงบางคนก็ดูลมหายใจจะเข้าหายใจออกเรลึกรู้ให้จิตมันอยู่กับนี้เรลึกรู้ไปเรื่อยๆบางคนก็กระดิกนิ้วเท้าเอากรรมฐานเหมือนกันนะเนี่ย แต่บางคนท่านก็พริกมืออย่างนี้นะแต่บางคนเห็นทำอย่างนี้นะมีไหมม้นมือเยอะจังยังเงี้นะระลึกรู้ไปแต่บางคนเออมันจะหลับไว้แบบนี้เอาแรงๆหน่อยนี้แต่บางคนเขาก็ทํานี้นะ<ม>คือเลยลึกรู้ในอาการของร่างกายนะเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติระลึกรู้กับส่วนใดส่วนหนึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดนะั่นละแต่ระลึกรู้ก่อน นั่นก็ยกมือสร้างจังหวะการไปการหลับการตื่นการพูดกันนิ่ง ก, กันกินการอะไรก็ตามนะให้ระลึกรู้กับอาการนั้นอาการที่เราดําเนินชีวิตประจําวันเราเนี่ยตั้งแต่อริยบทใจอริยบทย่อยไปเรื่อ ย, อยทีนี้ถ้าระลึกรู้อยู่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการรู้แจ้งเนี่ยความลับมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่แต่สติพออย่างนี้เฉยเฉยนะ ตอเนื่องมากามาก็ามากันจะเกิดการรู้แจ้งเกิดความสว่างขึ้นมาเกิดการตื่นโพลงมาจิตเราเนี่ย mm hmm. เกิดญานทัศนะขึ้นมาแต่ปัญหามันคือทํำยังไงอ่ะมันจึงจะรู้กายนี่แบบมัชชิมาปฏิปทารู้แบบกลางกลางรู้แบบไม่เพ่งในขณะเดียวกันก็ไม่ให้มันเผลอนะไม่งั้นเผลอมันคิดไปโน่นคิดไปนี่ส่วนมากคนมันคิดเยอะยิ่งคนมีธุระหน้าที่การงานมากๆ ยิ่งคิดมากเรียกว่าท่านไปทำกรรมเก่าไว้เยอะเวลามาปฏิบัติธรรมก็เลยต้องใช้กรรมของตัวเองขีดอยู่นั่นแหละบางคนก็ห้าวันน้อยจิงจะหมดกรรม mm hmm. ความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าว่างอ้หลงพอเทียนว่าห้าวันความง่วงเนี่ยน้ตาว่าประมาณสักสามวันก็เริ่มเห็นดำเห็นแดงกันแนละเหมือนมวยนั่นแหละยกสานี่ยยน เ, รเริ่มเริ่มแล้ว เริ่มรู้แล้วเราจะลงข้างไหนจะเริ่มออกแล้วเอาลงเอาดำหรือกินแดงเอาทั้งไหนยกสามไปไปลายยกดูออกแล้วกวายกสี่เนี่ยเอาเลยนะแต่ลุมบอลเลยนะนะไอมวยตรงกระข้ามมันก็รู้แล้วว่ามันจะแพ้แน่นอนเพราะดูแล้วดูเชิงกันมาสามยกนะสวมหมวกกันน็อกเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มุดเข้าไปนะเอาก็เอาและไอหนึ่งมันก็รู้จักเนาะ มันจะลุยเข้ามามันไม่ไหวนะของเรานะี่มีเจ็ดยกเท่านั้นนะอย่าลืมนะอย่ามาเล่นเชิงประมาณนี้เลยมันพอลุกเลยได้คุณโยมเว้ยเฮ้ยมันพอเดือนหน้าฆ่ากระทืบกระทืบกาพอลุกแล้วสวมหมกกันน็อกเข้าไปได้แล้ว ไ, ได้กี่ยกแล้วเนี่ย <c oughs> สามยกเลยนะสี่หน้าหกเจ็ดน้อยเองนะจะหมดยกเลยนะนะั พี่เลี้ยงก็เชียเต็มที่นะเดี๋ยวเตรียมผ้าขาวยกโยนนะมันไม่สู้มวยเรามันไม่สูนะ้มวยบางคนเป็นมวยเหมือนแบบไหนนะเดินไปเรื่อยไปทางไหนก็ไปเจอหน้ามันอยู่แน่ะทางจกกมของมันมุดวัดอลยนี้โอ๊ยนอวะอ้อมไปทาไมนะไปทั้งไหนก็ไปเจอมาท่านี้อีกแล้วท า, นวนางนู้นะมันร้อนนี่นะ มาทางนี้น่ะทางนี้อาการไม่เด่นเอ้าตอนนี้มันแดนมันร้อนตอนเช้าเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่นั่นแหละมันก็เลยโอ้มันจะไม่ได้เนี่นี่ถูกความคิดหลอกเนี่ยนั้นมันต้องใส่ความความระลึกรู้มาเข้ามากเข้าต่อเนื่องเขาต่อเนื่องเข้ามากเข้าแล้วมันจะมีภาวะหนึ่งคือเกิดยาณทัศนะเกิดการรู้แจ้งซึ่งไม่ต้องกดไว้ความคิดเนี่ยแต่ก่อนต้องกดไว้ไงไอการรู้แจ้งนี่แหละคือพุทธศาสนา พุทธธรรมเนี่ยคือธรรมที่ทําให้เกิดการรู้แจ้งเกิดจิตมันตื่นเบิกบานออกจากความคิดความปรุงแต่แล้วมันไม่ทุกข์กับวันนี้นี่เขาเรียกพุทธศาสนาาศาสน า, าพุทธมันจึงไม่เหมือนาศาสนาไหนในโลกเนี่ยแต่ถ้าทํานนิ่งๆแบบนี้มันก็ยังไม่เป็นพุทธอันเนี้ยเพราะตัวรู้ตื่นบอกว่ามันไม่ปรากฏมันไม่เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาแนละ้วแต่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมโอ้อันนั้นเราไม่ดีเนาะอันนี้เนีย ต่อไปแล้วก็เลิกทีละเล็กทีกละน้อยอันนี้เราเรานึกได้ในอันี้แต่มันไม่ใช่การเห็นแจ้งมันคนละอันกันโอ้ท่านพูดให้ฟังแล้วกลับไปนี่คูจะเลิกขนนั้นอันนี้มันก็รู้ตามท่านแต่มันมันยังไม่เห็นแจ้งมันต้องเป็นปัจจัดตังสันทิทิโกสันทิทิโกรู้เองเห็นเองปรากฏขึ้นมาเองมีโยมคนหนึ่งมาถามว่านี้หลวงตาสงสัยคําว่ารู้แจ้งมันเป็นยังไงก็รู้ตอนเปิดไฟนั่นแล้ววา แจงมันมืดมันก็มืดแบบมันเหมือนไม่เปิดไฟนั่นแหละมันมืดแบบนั้นแหละแต่เห็นแจ้งก็เหมือนอยู่ๆก็เปิดไฟขึ้นมันสว่างแบนั่นะจิตของเราก็เหมือนกันไม่รู้จะไปทางไหนนะนี่ว้ยทั้งห่วงทั้งเบือ่อทั้งคิ ด, ค, ด, ค, ด, ค, ดคิดนั่นคิดนี่ปรุงแต่งนะคิดถึงบ้านถึงาทำงานอนะไรไม่สารพัดนะไอ้จะออกได้ดลวยความคิดเนี่ยดับความคิดเป็นด้วยเหรอ อะไรเนี่ยขณะที่กำลังวุ่นวายอย่างนี้เราจับตัวรู้ไว้ดีๆอยู่ๆมันก็เกิดพั่งออกมาเลยสว่างแจ้งว่ออาหายเป็นมดโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะมันไม่มีคําอธิบายเวลามันเกิดเนี่ยมันไม่มีคําอธิบายว่าเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะนนะมันจะเจ่มแจ้งประจักษ์แจ้งอยู่ข้างในเนี่ยเป็น eh eh iko, เอหิปัสิโกเอหิปัสิโกแปลว่าพี่น้อง มาเบิงเด้อมาพากันเบิงไ ด, ได้เป็นตะเบิงเีไ่ได้หนหน่าดูเอหิปัสสิโกเอหิปัตสิโกแปลว่าแปลว่าดูเอหิกามาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าดูอยากเรียกอยากร้องคนหมนู่นั้นเขาจึงมีกิเลสประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสแบบวิปัสสนูปกิเลส กิเลสของคนทำวิปัสนาถ้าอารมณ์วิปัสนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะอยากบอกคนอื่นอยากเรียกคนอื่นให้มาดูลองทไมไหมทำไหมทำมาดนแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่ทุกนะไอ้คนที่โทษคนนั้นคนนี้เนี่ยจริงๆคุณไม่เห็นอาการนี้เฉ ย, ยๆนะคุณจะรู้แจ้งเนี่ยมันจะเป็นปัจจัตั้งขึ้นมามันจะเป็นของมนเองอนะธรรมะนี่มันมีอยู่ในนี่นะ มันอยากเรียกคนนั้นภาวะคือสันติิโกรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการเวลาขอแต่เรารู้ตัวต่อเนื่องเนี่ยการรู้แจ้งปรากฏเกิดขึ้นได้โอปะณิโกน้อมกข้ามาหาตัวเองอะไรเกิดขึ้นก็นพยายามกลับกลับมาระลึกรู้มาเฝ้าดูมาเฝ้าดูอยู่ไหวปัจจัดตังปัดจัดตังก็แปลว่ารู้เองเห็นเอง ปัจจัต่างเป็นของรู้ได้เฉพาะตนเล่าให้กันฟังได้ไหมไม่ได้เล่าให้กันฟังนี่มันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเป็นนี้นะี่ยมันก็ได้แต่เล่าอะไรแต่ว่าไ อ, อความทราบซึ้งนี่มันไม่เหมือนกันนะบางคนมันไปคิดเอาคิดเอาก็เหมือนเข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่ความคิดถ้าความคิดคิดได้เนพวกด็อกเตอร์เขาดับทุกไปหมดแล้วละ่ะเขายิ่งคิดดีกว่าเราอ่ะแต่อันนี้มันไม่จําเป็นคุณจบชั้นไหนก็ได้อันนี้หรือคนไม่จบชั้นไหนก็ได้เนี่ย วันนี้ไปถามคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ถามเขาเขาคิดมากถามคิดมากมใช่ใช่คิดมากโลดดับเข า, าไม่คิดมากทาไมเขาเขา้ข า, ขาใจเหยียบมันไว้รู้สึกตัวถ้าเหยียบมัน ม, มันยังไม่อยู่แล้ว รู้จักไหมอะไรนี่เอ อ, ฟ, อฟันอะไรฟันอะไรไม่ได้ฟันนะเนี่ยปล่อยวางตัดก็ได้ตัดความคิดเปลี่ยนบ้างมั้ยตัดได้ทุกตัวมั้ยตัดได้ทุกตัวมั้ยเออความจริงนะเนี่ย ทำไมมันไม่ขาดอภรณ์มือคุยกับพระบอกมาเลยอย่าเล่นตัวท ำ, ทำให้บอกไม่ถูกสติมันยังอ่อนมันไม่คมพ อ, อมต้องมันรับมันถูมันสร้างจังหวะเยอะๆแล้วมันจะตัดมันดีเลย แต่ตอนนี้มันอย่างแต่ตัดแล้วมันแตกออกไปหลายเรื่องหมดดีใช่ไหมบางที้ตัดมันก็มาอีกตัดก็ไม่อีกน่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าโยมอย่าไปตัดมันถ้าตัดแล้วมันไม่ขาดเนี่ยนี่ไปเสีใส่ใจเพราะว่าตัดครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ขาดโอ้โมันไม่คมนะรีบมาทําความรู้สึกตัวคือน้ําหนักมันไม่พอมีดมันคมเวลาสับเนี่ยมันจะติดขึ้นมานะต้องให้มันคมๆก็มีน้ําหนักบางทีมันก็คมอยู่แต่น้ําหนักไม่พอ อย่างท่านพูดว่าเฮอมันเป็นอันิีจังนะเราก็พอรู้เป็นอนนีจังแต่ว่าเวลาดูแล้วมันไม่อันนี้จังมันไม่ดับนะแสดงว่าสมาธิมันไม่พอสมาธิคือการรู้ตัวแต่มันไม่ต่อเนื่องพอแต่การเห็นนี่เห็นบ้างแนละ้ยังมันคิดก็เห็นบ้างอยู่แต่ว่ามันไม่ดับต้องรู้สึกตัวมากกว่านั้นเดินให้มากกว่านั้นสะสมตัวรู้มากกว่านั้นเดินเบยนทีแต่ว่าตัวรู้มันไม่อยู่กับเท้าสติรู้จักสติเนอ้อเหยียบอย่างนี้รู้สึกหน่อยนะนะ อย่ไปรู้ไปเอียบไปรู้ต้องรู้มากๆรู้จนถ้ามันอยู่กับเราเนั่นแหละทำไมก่อนจะมาพอรู้ลูบน้ำเนี่ยบังครับให้มันรู้อยู่กับเท้าให้ไหนไม่อยากให้มันดูความคิดจะให้ดูรู้อยู่กับเท้าอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่สักหวันพอรู้ลูบน้ำแล้วตั้งใจให้มันรู้อยู่กับเท้าห้าวันแล้วให้มันมารู้อยู่กับมืออีกห้าวันนะครับเอาให้มันเต็มที่คือตัดไม่ดูความคิดแล้วพยายามระลึกรู้นี่เพราะอะเพราะว่า ได้ยินครูบาอาจารย์ว่ามันจะติดอารมณ์วิปัสสนูง่ายไปดูความคิดก็เลยไม่อยากดูมันก็พยายามเลยลึกรู้เนี่ยพยายามให้เลยลึกรู้อยู่ตลอดเวลากับเท้าเนี่ยเอาห้าวันยกมือสร้างจังวเหมือนกันเอาให้มันห้าวันรวมแล้วก็สิบวันสิบวันค่อยมาดูใหม่ทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่านี่ก็พูดไปไปนะปลาดุกว่านะ เอามือลงได้พูดจบแล้วเอามือลงโอ้เป็นคนซื่อสัตย์มากเนี่ยจะบรรลุธรรมไปๆนะนี่สร้างจังหวะคือถ้ามันคิดเนี่ยเราจะไปตัดมันถ้ามันตัดไม่ได้เนี่ยดูมันเฉยๆดูไปแล้วก็มันเรลึกรู้ไปถ้าไปสนใจมันแล้วมันไม่หยัดมันไม่อยัขาดถ้าไปดูมันมันยิ่งขึ้นมา เธอดูลิเกมั้ยหมงวนลำนั่นแหละลำซิ่งโอ้อยู่จังหวัดไหนนี่นครสวรรค์โอ้มีจากนาครหวัรเนาะห่างจากนาครนรกนิดหน่อยนะงวนลำเนี่ยเวลาเราดูมันมากลิเกเนี่ยยิ่งดูมากมันยิ่งเต้นยิ่งโชว์เย้ไหมเอ็นหน้าเอ็นหลังให้เรานะ แต่ถ้าไม่มีคนดูมันทําไงเอา้าไม่มีใครดูเลยมันมาแสดงอยู่ที่นาคารสวรรค์นเนี่ยศาลเจ้าไม่มีคนดูสักคนเลยมันจะทํำยังไง เ, เขาท่าไปนั่นแหละมันก็เลิกไม่มีคนดูมันจะเลิกเหมือนกันน่ะความคิดเนี่ยตันหาทั้งหลายเนี่ยมันเพราะเรานี่อยากดูมันเราอยากคิดเดี๋ยวนี้ เวลาความคิดเกิดขึ้นเราอยากดูมันคิดอีกสิกสมันคิดเรื่องอะไรวะเพราะมันปล่อยไปมันก็คิดยาวหละยิ่งไปดูมันมันยิ่งคิดมากอย่าไปดูมันมันเหมือนลิกเกเยนนะมันเต้นออกมากูไม่ดูไอ้กูจะสร้างจังวะเนี่ยกูจะรู้สึกตัวกูไม่ดูมึงบอกมันอย่างนั้นอะแล้วมันจะเต้นโชว์อยู่ได้เหรอมันก็ดับไปความคิดเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละแต่นี่เวลายกมือไปยก ม, มาเวลามันคิดนะ เอจนจบนะเนี่ยโอ้ยไปดูมันมันก็เต้นเนี่ยหน้าหลังเปิดก้นใส่อยู่นั่นแล้วเราก็ได้ตกมือเอาอยิงน้อยเอายิงหน่อ ย, อออยโอ้ยมันก็มาอยู่นั่นแห ล, ละเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นห้าสิบ็ดโอ้ยก่อนนออกมาปีเดียวเองนะเนี่ยทำไมแก่จังขับรถนะขับรถผลไม้ทำไมแก่นะ มันน่าจะทําอย่างอื่นมากกว่าขับรถผลไม้เนีะเนี่ยเวลาเรารู้สึกตัวปุ๊บเวลาเราไม่ไปยุ่งกับความคิดพอมันคิดปุบกบไม่สนกูไม่สนกูมีงานทําเนี่ยกูจะรู้สึกตัวไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวมันก็หายไปความคิดมีตัวไหมมันเป็นตัวเป็นตนไห ม, มเออมันไม่เป็นน่ะมันแวบมาเฉยเฉยพอเราไปต่อหางมันนั้นมันเดี๋ยวยาวไป งั้นเราก็ไม่สนมึงมากูก็ไม่สนมึงอ่ะกูจะรู้สึกแต่รู้นะอย่าไปหลบมันนะแต่รู้ว่ามันคิดนะรู้มันคิดแต่อย่าไปใส่ใจมันกลับมารู้สึกไปเรื่อยรู้ไปมันคิดมาก็รู้สึกขณะเดินอยู่ก็รู้กับการเดินเดินไปเรื่อยมันคิดก็รู้มันเดินมันคิดอ้โมันคิดก็ช่างคิดเหยียบไว้คิดเหยียบไว้คิดเหยียบไว้แต่อย่าไปจ้องมันนะมันคิดหรือยังคิดหรือยังเนี่ยถ้าไปจ้องมันจะมึนหัวปวดท้ายทอยนะนะเพ่งจ้องมากๆไม่ค่อยดี ทำเป็นไม่ใส่ใจนะ่ยคือเขามาแล้วมันจะดับเองอยู่แล้วะความคิดเนี่ยแต่เราก็คิดว่ามันจําเป็นไงใช่ไหมไอ้ความคิดตัวนี้เกิดจำเป็นคิดตัวนั้นเกิดจำเป็นนิยมคนหนึ่งเนี่ยออไปฟังหลวงตาพูดธรรมะงานร้อยปีแกได้อารมณ์นะแม่ได้อารมณม์รัเปล่าโยมไม่รู้เป็นไงหลวงตาที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ๆเกิดสว่างเกิดแจ้งกันมาขณะที่ฟังนะ แต่ก่อนนั้นเขาก็ปฏิบัติมานะเขาปฏิบัติทำก่อนหลวงพ่อเ ข, เขียนมาเป็นเวลาสองปีแล้วท่านขึ้นมาทางเชียงใหม่ก็ไปฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติ <c oughs> เขาก็เลยเอาลูกสาวมาสาคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็จะปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมอยู่กับลูกสาวสักวันหนึ่งมาเมื่อวาน แล้ววันนี้ก็จะกลับแล้วจะให้ลูกสาวอยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปปรากฏว่าวันนี้ผัวแกมารับกลับหมดทั้งสี่คนเลย <c oughs> นั่นเห็นไหมมันปรุงแต่งนะหลงทาเลยว่าโยมไม่กลับเลยเหรอถามแต่วานนี่ไม่หลอกมาแล้วก็อยากให้ได้บุญกุศลเป็นตัวอย่างลูกมันบ้างห <c oughs> ลว ต, ตาถามมาแรกลูกนี่อยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ไหมถ้าแม่กลับวันนี้ได้ไม่เป็นไร แต่พอมาถึงวันนี้น่ะกินข้าตวตอนเช้ามันคิดออกมันยังไม่ได้ส่งการบ้านมันว่างานมันยังไม่ได้ทําส่งอาจารย์อันนั้นนี่อีกมากมายหลวงตาบอกโอ๊ยทํามันขึ้นมานี้ก็เสร็จแล้วตอนมันมามนวามันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าถึงกลับเลย ว, ว่าลวงตาเอายังไงกลับว่ะกลับเอถอะแต่ไปเจอไม่เป็นไรหรอกว่ะ ไปแล้วค่อยมาใหม่ไหมไม่ต้องมาอย่ามาเลยว่ะเบื่อกี้หน้าโอ้โยงก็อยากให้ได้เนาะ อ, อยากให้ลูกอยากให้หลานเขาได้ลูกเขาเ็าเรียนปริญญาโทหนูนะพยุ่งยากลองแต่เลยพูดคำหนึ่งนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้ใจดีจิต ด, ดีใจดี กลับไปอยู่กับครอบกับครัวจิตใจก็ตื่นเบิกบานแจ่มใสเวลาเขาทิ้งเขาปล่อยเขาวางเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันพูดขึ้นมาเลยไม่กลัวเขาทิ้งหรอกลงตากลัวแต่มันไม่มีนี่แหละเดี๋ยวนี้กลัวแต่จะไม่มีผัวนี่ไม่ได้กลัวผัวจริงนะเพราะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครมาจีบเลยเนี่ยพูดขึ้นมา แล้วเขาก็หัวเราะกันนะสามคนเขานะโอ้ลายกาดนั่วนโอ้คนทุกวันนี้มันป่านนั้นมันเป็นอย่างนี้กันหมดแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาเรียนทุ่สูงโอ้ยเขาจะทุกข์มากทุกข์มากเพราะว่ายิ่งนานไปก็ยิ่งห่างหายจากคนมองทุกทรมานนะทุกข์มากกว่าผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ย ทุกเมื่อยิ่งขาดไม่ฝึกสติในยิ่งอันตรายนะถ้าปฏิบัติทําเหมือนยมน ก, กว่าเป็นแบบหนึ่งนะมันทิ้งปัวได้เลยนะตแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติทํา็อันตรายแหละยากลำบากพวกเรานกอเมริกานอนหลบกอใจมันเป็นแบบนั้นนะ่ะคือวันวันหนึ่งมันจะหาคิดเรื่องปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เล็กน้อยมันจะหาเหตุหาผลอยู่เรื่อยแหละไอ้ความตั้งใจเราทีแรกเป็นแบบหนึ่ง แต่พอสัพักไปเนี่ยเดินไปเดินมามันมีวทธนาบ้างเจ็บปวดบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างเฮ้กูไม่ไหวแล้วปบประกอบกับมันมีรถเตรียมจะกลับเนี่ยกลับด้วยพอดีเลยแหละนั่นจะไปอย่าไปอวซ่อมมันจะไปอ่อนน้อมมันตัดขาดชั่วเลยให้มันเด็ดขาดไปเลยอย่าคิดว่ามันง่ายนะมันไม่ง่ายนะดังนั้นก็ตัดมันไปถ้าไม่ตัดมันไปก็อย่าไปสนใจมันทําเหมือนรถนะรถมันวิ่งมา คันนี้เป็นอกุศลสกปรกคันนี้ไม่ขึ้นคันนี้เป็นกุศลคันนี้ดีขึ้นเนี่ยแต่ขึ้นไปก็เตรียมตัวเพราะว่าขึ้นไปแล้วรถนี่มันเสียได้ไหมเสียได้นะฮะั้นเวลามันเสียได้เราก็พร้อมที่จะลงนะ่ะเหมือนกันนะความคิดที่เป็นอกุศลเราไม่ทําไม่คิดตามมันถ้ามันคิดเป็นกุศลคิดอะไรที่ดีๆเป็นเหตุเป็นผลสักหน่อยอย่างคิดเรื่อง อวิหิงสาอวิหิงสาสังกปะเนี่ยคิดไม่เบียดเบียนคิดดําริการไม่พยาบาทนะคิดดําริออกจากตามนี่ขมะสังกัปปะนี่คิดการออกบวชเนี่ยการฝึกจิตให้ยิ่งขึ้นไปความคิดแบบนี้เนี่ยคิดได้นะคิดได้แต่คิดเรื่องอดีแต่อนาคตอันนั้นไม่เหมาะสมนั่นพอคิดแล้วมันจะติดอารมณ์ เราก็ปล่อยวางซะกลับมารู้สึกตัวเฉยเฉยเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเฉยเฉยมันคิดมาก็เห็นมันเห็นมันพอเห็นแล้วก็กลับมาอยู่ไม่ต้องพูดนะว่าเห็นเนอเห็นเนอเห็นหนอะอะไระไม่ต้องดูไปตามดูมันตามดูมันก็ไปเรื่อยแหละตัดทิ้งไปเลยไม่ใส่ใจกลับมารู้สึกตัวเฉยเฉยนี่ถ้าพิจารณาได้ไหมได้ถ้าพิจารณาก็พอได้แต่พิจารณาเสร็จปุ๊บหาเหตุหาผลให้มันเสร็จพวกกลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมนะอันนี้คือแกนของการปฏิบัติ แกนของอารมณ์กรรมฐานเนี่ยที่รู้สึกเนี่ยที่มีสติเนี่ยนี่แหล ะ, ะบางทีก็จะด่าตัวเองเอ้ยบักบอบมึงเอ้ยกิดมากกินไม่เนาะแก่เท่ากําลังจะตายแล้วตั้งห้สิบเอ็ดปีแล้วมึงก็ยังแบบนั้นเนาะถ้าสมมุตินะสมมุติด่ามันเข้าไปเลยคิดอะไรหนักหนาอะไรประมาณเนี่ยแล้วมันก็จะยุบลงไปหรอกคือถ้าเราไปด่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีเขาจะาว่าเราด่าตัวเองนั้นได้ พิจนาดีๆนี่บอกมันสอนมันทำไมมึงยังง่วงอีกนอนมันยังไม่พอเหรอห้าสิบเ็ดไปอีละมึงยังจะเอาอีกเหรอบอกมันมันน่าจะพอแล้วนะเหนหรือบางทีก็พูดดีๆกับมันมันง่วงมากก็บอกมันน้องน้องสามทุ่มเดี๋ยวเจอกันเาคุยกับมันดีๆบางทีเนี่ยถ้าคุยแบบโหดร้ายนี่มันมันยิ่งได้ใจมันเป็นโทสะ มันจะเกิดโทสะถ้าพูดวหวานๆมนขึ้นมามันจะดีหลวงพ่อเทียนนะเวลาง่วงมานะหลวงพ่อเทียนทำไม่เหมือนใครมันง่วงหลวงพ่อเทียนก็จะกราบกราบความง่วงในหะลวงพ่อเทียนนะของเรานี่มันง่วงมันก็ทุบสใส่ทึบห็นไหมยิ่งโทสะเยอะมึงมาแนละ้วเดินไปพอหยุดท่านั้นละมดลูกเจ็บไปหมดเลยโอ้ยกูเดินแรงไปนะถ้าผู้ชายหน่อยไสเลื่อน พระก็มาฐานเดินอยู่กับหลวงตาคุณทองลีนะเดี๋ยวนี้ไปอยู่อยู่เยอรมันแล้วเดินเดินอยู่ทังไส้เลื่อนนะมาปรึกษาหลวงตาหลวงตาเขาเอาอยางให้ <c oughs> เอาอยางโอ้ม็ตายพี่แหละแกว่าว่าจะเอาอยางรัดไว้นะไข่มันนะ <c oughs> ไม่ไส้เลื่อนลงไป <c oughs> เดินได้เดินดี <c oughs> ก็เลยไปบอกแม่ครัวเขาปรึกษาเขา มันทำไงได้พาไปหาหม อ, อเขบอกว่าซื้อสปอเตอร์มาใส่ดินี่นะก็ใส่สปอเตอร์เดินทุกม้อยัอ ง, อยงชั่วหน่อยนะองหนึ่งก็เห็นได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนสร้างจังหวะองค์นั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมตอนไหนเพรเห็นว่าอะไรเพราะว่าใส่เลื่อนในนั่งปฏิบททัติธรรมนะต่อมาองหนึ่งเป็นลูกปวยบา้านีนเมืองเลยนั่นก็รู้สึกว่าจะเป็นใส่เลื่อน อยากพักผ่อนแต่ยิงมันก็ไม่เลื่อนหรอกแต่มันก็ใส่เลื่อนเพราะว่าหลวงพ่อไม่ขอบีบดูท่านว่าโอ้ไสเลื่อนแล้วเนาะใครจะไปกล้าเนาะเรื่องของไกลๆมันใส่เลื่อนแลพักผ่อนไปนั่นนะอันนี้ก็จะใส่เลื่อนอยู่เรื่อยคือเหตุผลมันก็ไปเองเข้ามาเลยโอ้เขาก็คิดได้เนาะวะท่าก็คุยนะแปลกนะบางวันนี้หลวงพอ่อท่านเทศว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจ์นะไม่เที่ยงนะ ผมคนเล็บฟันหนังเกิดมาเดี๋ยวเน่าเปื่อยปูพังตายอยากไปฟังเทศ้วยกันออกมาแกเดินมาหานะลูกผูปป้ให ญ, ญ่บ้านเนี่ยนะแกก็บวช ด, ด้วยล่นตาก็ไม่นึกว่าแกจะพูดคํานี้นะอย่าว่าอย่าไปเชื่อหลวงพ่อได้แกบอกว่าอย่าไปเชื่อหลวงพ่อได้ท่านหลอกให้เราอยู่ด้วย มันไม่มีคนอยู่กับท่านพระจะสึกหมดแล้วท่านหลอกให้เราอยู่อย่าไปฟังมากนะอย่างนี้มันก็พูดอ้หว่าอย่าไปยอกอย่าไปฟังหลวงพ่อให้มากนะท่านหลอกให้เราอยู่ด้วยเ ด, ยดยนะ็ถ้าไปฟังแล้วท่านจะล้างสมองเราเด้ท่านก็เทศตามความจริงเนาะกิเลสตัณหาเกิดมาทุกแบบนะวันนี้าต้องรู้จักปล่อยวาง เรียกว่จะไปฟังหลวงพ่อให้มากนะทำทีนั่งฟังเฉยๆใจเป็นเชื่อได้เขาบอกจะไปเชื่อผมอยู่อบรมสานี่สิกเลยได้ผมนะมันลาศึกษาเลยนะมันท่านฟังมากท่านจะไม่ได้สึกนะเขาบอกเขาจะว่านะวจะบอกในใจว่าเฮ้ยนึกว่าฉันอยากศึกเหลือไคิดในใจอยูน่นะแต่ก็ไม่กล้าพูดนะฟังแกพูดท่านก็จะสอนไปแหละมันก็ตัดได้บางตัดไม่ได้บางคนนั้นก็ตัดได้คนนี้ก็ไม่ตัดไม่ได้ มันก็มีเหตุมีผลนั่นน่นอันนี้ขึ้นมาตามเรื่องมาแล้วแต่จะเป็น น, ะนั่นมันมีเหตุผลอ้างนั้นอ้างนี่ขึ้นมาใหญ่มันอ้างใหญ่ให้มันอ้า ง, อ, า อ, างอ้างเหตุอ้างผลแล้วตัดออกตัดออกให้เหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆทำเหมือนคนตายปฏิบัติธรรมเะเหมือนเราก็ตายแล้วเหมือนแล้วไม่มีอะไรอะรู้สึกเฉยๆนี่รู้ตัวเอามาสู้กับตัวคิดตัวรู้เนี่ย มันรู้ไม่มันคิดเรารู้มันคิดเรารู้ ร, ร, รู้ดีอๆอุปมาเนี่เหมือนนะเนี่ยน้าเนี่ยแต่ก่อนเป็นน้าเปล่าทีนี้ก็เอานมเอาอะไรมาใส่เนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำขุ่นขึ้นมานะเป็นน้ำขุ่นีนี้เราอยาให้มันใสเราก็เติมน้ำเปล่าใสเหมือนเราปฏิบัติทำนะี่แหละจิตเรามันขุ่นด้วยอารมณ์หลากหลายเราก็เติมน้ำเปล่าใส เติมความรู้สึกตัวที่เฉยๆใส่เข้าไปใส่แล้วมันจะเริ่มใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้ น, นแต่ต้องเติมมากๆคือในใจเราเนี่ยเราคิดกี่ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคิดหลายครั้งมันก็ขุ่นนะยิ่งเราประทับใจเรื่องไหนมากๆเนี่ยมันยิ่งขุ่นมากสีแดงสีดําสีเขียวสีคือราคาโทรศัพท์ของเขาเรียกว่าหมื่นโลกกะทา ในจิตเรานีหมื่นโลกธาตุราคธาตุโทธาตุโมหธ า, าตุเต็มไม่หมดเลยนี่นี่ธาตุมันมีดูราคาเครื่องทีนี้ก็เติมธาตุรู้ใส่ตัวรู้นี่เติมใส่เติมใส่เติมใสเดี๋ยวมันก็ใส่ขึ้นมาหรอกอันนี้เดี๋ยวมันก็จะสดใสขึ้นโอ้ใส่เนาะมันเริ่มเป็นน้ําใส่มันก็จะลงไปอยู่แต่ก่อนข้างล่างแล้วน่ะแต่คุณจะเริ่มเห็นโอ้ใจเราเริ่มใส่แล้วแต่รู้อยู่มันอยู่ข้างในใครมากระทบหนัหนกๆไม่ได้มันจะกระเทือนขึ้นมาคืออาสะวะมันอยู่ข้างในอันนั้นมันต้องเกิด ยานาตาะนะหนึง่งเขาเรียกว่าอาสวัขยายานตัว น, นั้นนะ่ะเกิดการทําลายมันจึงจะล้าง อ, อหมดถ้างั้นมันก็ยังอยู่นี่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่กระเทือนเท่าไหร่มันก็จะใส่อยู่ใจนะแต่มันจะลงอยู่ข้างล่างถ้าไมมัน่ที่จะลงอยู่ข้างล่างได้นะก็อย่างว่านะี่ต้องรู้สึกเติมน้ําเปล่าใส่ดีเยอะอันหนึง่งคือมันจะล้นหนอกล้นหนอกล้นหนอกล้นหนอกเราสังเกตเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยเดี๋ยวความคิดเก่าๆแวบขึ้นมาทิ้งมันไปเลย ใหมันมัค้างอยู่ในใจพอมันคิดมาทิ้งออกไปเลยเ ม, มื่อกี้ไปเหมือนน้ําล้นมานี่เราจะไปดูมันน้ำล้นน้าอะไรนอ้อล้นออกมาสีอะไรเนอญญ้ อ, อ, อราคะโทสะโมหะงุนยิตอุตสเครื่องง่วงเอหนอนมาล้นชั่งหัวมันเถอะปล่อยมันไปเลยมันเติมความรู้สึกตัวใส่มันล้นทิ้งไปไปเดี๋ยวมันก็จะออกไปหมดออกไปหมดคื อ, อห เ, เหือแต่น้ำใสใส่น้ำน้ำน้ำรู้สึกตัวนี่เข้าไปอยู่แทนที่ไงน้ําเปล่าออกไปหมดงั้นตอนนี้เธออย่าไปคิดว่า ความคิดอันนี้ก็จําเป็นความนิธินี่ก็จาเป็นมันจะเอาความคิดจําเป็นนี่แหละมาหลอกให้เราคิดกับมันนะทิ้งให้หมดเลยแต่มันไม่ไปไหนหรอกทิ้งออกไปเฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับเดี๋ยวมันก็ใช้ได้หรอกนะแต่ตอนนี้เราจะให้มันมีสมาธิซะก่อนคือคือเวลาเราทิ้งออกไปมันไม่ลืมหรอกแต่ว่าทิ้งออกไปให้หมดก่อนระยะเจวันทิ้งไปแล้วมันจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งพออันนี้เกิดขึ้นแล้วไอ้พวกนี้มันเอาออกมาใช้มันจะไม่มีพิษสงแต่ตอนนี้มันเป็นพิษนะ นะมันจะติดเราอยู่นะ น, นะหลวงพ่เทียนนั้นว่าเหมือนปริงเนะี่ยมันเกาะเราความคิดเนี่ยเกาะอยู่ยเงี้ยเวลาเราอามือแกะออกคือหาเหตุหาผลเนี่ยยิ่งเอาเหตุผลแกะเท่าไหรน่นี่มันก็เหตุผลก็นั่นก็ยิ่งมาติดเราเหมือนเดิมคือเอามือนี้แกะมันก็ติดมือนี้เอามือแกะติดมือนี้มันวิธีการมันคืออะไรท่านบอกว่าเอายาเอาบุหรีนะ่น่ะมาชุบน้ำแล้วบีบใส่นี่มันจะล่วงลงไปเลย เหมือนกันนะอันนี้เราก็คือรู้สึกตัวเยอะๆเอาความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ความคิดมันจะล่วงลงไปของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันว่าต้องเอาสติมาล้างมันรือจะล่วงแต่ถ้าเอาความคิดมาแก้ไขเนี่ยมันไม่ออกแต่เราต้องเห็นมันนะที่รู้สึกตัวเนี่ยโอ้มันคิดมานะเห็นมันเฉยมันได้เดี๋ยวมันจะเริ่มสนุกหรอกมันมีจังหวะหนึ่งที่เอ้าตัวนี้มาก็ดับไปแล้วตัวนี้มาก็ดับไปตัวนี้มากรล่วงไปตัวนี้มันเริ่มสนุกน่ะตอนนั้นเขาเรียกว่ามั มักแปลว่าสนุกแปลว่าชอบมักในแปลว่าชอบมักแปลว่ารักมือนอะแปลว่าสนุกแปลว่าชอบมันเพลินน่ะยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งมายิ่งดับได้ดับได้ความคิดเข้ามาชนปุ๊บล่วงจิตชนที่ไรล่วงที่นั้นน่ะโอ้เริ่มสนุกละมันก็จะขยันเดินขยันสร้างจังหวะไอ้ทเนี้นะแต่มันต้องมีภาวะหนึ่งที่คิดว่ามันก้ํากึ่งกันนะมันถึงสู้กันเหมือนน้าหนักน้ามวยนี่น้ำหนักมันเท่ากันมันถึงจบกันได้ เหมือนกันนะสติมันต้องมีน้ำหนักเท่ากับความคิดนันะ่นแ่ะถ้าสติมันมีน้อยมันสู้กับความคิดไม่ได้นะแล้วมันจะไม่สนุกนะเ น, นียไม่สนุกนะมันจะอึดอัดนะเพราะอะไรเพราะถูกความคิดต่อยตลอดเลยแล้วเดินหนักหัวมึนเบือ่อในนะสู้ไม่ได้นั้นเติมสติใสม่มากๆเติมตัวรู้เนี่ยใส่เยอะ ให้มันต่อเนื่องมากๆแล้มันจะสู้กับความคิดความปรุงแต่งได้อันดับแรกคือดับตัวง่วงในให้ได้ก่อนตัวง่วงมันมันไม่ฉลาดท่าไหนหรอกมันไม่เหมือนตัวคิดชนมาเลยวิ่งชนมาเลยมันง่วงมาชนเลยชนมันตรงตรงชนมันตรงตรงก็คือรู้สึกตัวฝ่าเข้าไปเลยมันง่วงมาเดินฝ่าไปมันง่วงมาเดินฝ่าเข้าไปนะฮจริงหน่อยมันก็จะเหมือนเหมือนไม้ไผ่เนี่แหละเวลาเราแทรกเข้าไปตรงนี้นะแทรกเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะฉี่ว้า ไปเลยเียตัวง่วงเนี่ยมันจะออกไปสองข้างแต่ต้องฝืนมันต้องเห็นมันก่อนนะพอมันนุ่มเนืเอาแล้วเนาะเนี่ยอย่าให้มันมีเลยวันต่อมาต้องจัดการให้เกลี้ยงสังเกตอยู่นั่นเนี่ยตัวเดียวนั่นเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆถ้าเราเอาตัวง่วงนี้ออกไปปุ๊บนี่ยตัวคิดมันก็จะออกไปด้วยกันเพราะมันอยู่ด้วยกันนั่นแ่ะเพราะมันเกิดจากตัวชอบเหมือนกันเป็นตัวอยู่ในกลุ่มของราคะเหมือนกันตัวเนี้ยนั้นถ้าเราเห็นมันชัดๆที่มันจะออกไปได้เลยนั้นดูให้มันชัด เอาพูด <PU> เรื่องนั้นเรื่องนี้ใฟังคิดว่าตอนนี้สองรุมพอดีแล้วจะให้ไปพักผ่อนขอร้องนะอย่าได้เดินจงกลม <c oughs> กรุณากรุณานอนไปแล้วเนี่ยแต่จะไปคุยกันนะตะโรนตาบอกว่าเออไปถึงเวลานอนไปนอนไปแล้วก็นอนแต่นอนก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมะนะช่างถ้าคุยกันมันจะเสีย สติที่ฝึกมานี่ยมันจะรั่วลงผอมลงสติมันจะอ่อนตัวลงนี้แล้วคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราเขาก็จะนำคาญเขาก็จะรับความคิดเรานี่ไปด้วยคําพูดเราเนี่ยนั่นจะไปคุยกันนี้มันรบ ก, กวนคนอื่นเขานอนคืนนอนตื่นขึ้นมาเอาแรงสู้กับมันอย่างเงี้ยถ้าไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนีององ้อย่าไปคุยไม่ต้องคุยอะไรเลยถึงเวลา น, นอนนอนเลยนะถ้ามันไม่อยากนอนก็นอนเ ล, เล่นไปนะเอาแค่นั้นนะ่ะเอาเตรียมตัว